คณะครูบาอาจารย์ผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมเมื่อสองปีให้หลังหลวงพ่อได้ไปเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทำรั้วกำแพงรอบโรงเรียนทางด้านหลัง ครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนั้นบอกว่าไม่ไหวแล้วหลวงพ่อเด็กนักเรียนชอบกระโดดล้มเหมือนกัน <c oughs> คงจะฝึกขัดมั่งนักเรียนชอบฝึกขัดกระโดดล้มเหมือนกันเถอะออกทางหลังกําแพงเหมือนกันเถอะทนี้นก็เลยครูบาอาจารย์ก็เห็นพ้องต้องกันกับผู้บริหารจัดการการศึกษาเราจะทํากําแพงทางทางด้านหลัง แต่วันนั้นถ้าจำไม่ผิดรวมกันแล้วได้เงินหกแสนเศษๆมั้งหลวงพ่อก็ได้ออกป่าเออถ้าหาว่ามันไม่พอยังไงหลวงพ่อหนึ่งแสนนะหลวงพ่อจะช่วยหนึ่งแสนกําแพงนี่จตงแต่วันนั้นมาก็เห็นเห็นเงียบไปโอ้โรงเรียนน้ำาสมคงจะรวยละมั้งวะไม่เห็นมาทวงอะไรเลยเนี่ยวะเราก็สบายใจเราดันเถอะเออเพราะว่าไม่ไม่ทวงมาแล้วก็ไม่ให้แล้วใช่ไหมเออ เงินเงิน่ยไม่ใช่ของธรรมดาถ้าไม่ทวงแล้วก็ไม่ให้เหมือนกันเออเห็นว่าคิดคิวว่าน่าจะพอแต่ไปดูๆแล้วก็เสร็จแล้วนี่แง่ําแพงก็เสร็จแล้วน่าจะเสร็จแล้วน่าหนีานราว่ะแต่วันนี้วันนี้ไม่รู้จะมาไม่รู้จะมาทวงทวนความจําหรือเปล่าก็ไม่รู้เลเดี๋ยวฉันจะขันเสร็จจะก่อนค่อยพูดกันเามื้นกันแต่หลวงพ่อก็ให้การศึกษาหลายๆแห่งแต่ปีนี้รู้สึกว่ า, ม, ามันุมมัตุ่มพอสมควร ทางเมื่อเมื่อวานนัก็โทรมาทางไม่ใช่โทรมามีจุด เ, เขาคือหลวงพ่อรับคำเมื่อก่อนออกพรรษาบ้านเราป่าเป็ดวานนั้ไปอำเภอมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเขานี่เขาติดตามหลวงพ่อมานานแล้วล่ะเขาอยากจะได้รงเรียน ต่อมาเขาก็ได้โรงเรียนหลังหนึ่งขึ้นมาเลยเออแล้วเออจบละหมดหมดภาระของหลวงพ่อแล้ววะทางรัฐบาลเขาให้มาแล้วแต่ที น, นี่เขาให้มาแต่หลังสี่สี่ห้องเรียนข้างบน น, นักเรียนไม่พอหลวงพอ่อจะขอจากหลวงพ่ออีกจะต่อเติมชั้นล่างอีกเพราะงั้นต่อเติมอาคารหลังนั้นแหละเพราะงั้นที่เขาให้มาเนี่ยโอ้เท่าไรแล้ววะก็วสามล้านเจ็ดสามแสนเจด 3 7มแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทหลวงพ่อเอื้อหลวงพ่อคิดว่าจะให้เขาอยู่แล้วเป็นหลังในเมื่อเขามาขอต่อเติมชั้นล่างเอาโ okay. อเคเขาก็เลยเบิกไปงวดแรกแล้วหนึ่งแสนแต่เมื่อวานนึจดหมายโผล่มาอีก เ, เบิกงวดที่สองแสนสา ม, มเออก็งวดสุดท้ายของโงจะแสนกว่าบาทอีก พอมันเป็น3 0 0 0 0 0สนะอันนี้ก็คือหลวงพ่อได้ช่วยโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป็ดตรงนั้นะจากนั้นก็ได้ช่วยโลงเรียนต่างๆโรงเรียนหยุงทองเขาอยากจะได้ที่ดูชมกีฬามั้งมาขออีกแสนกว่าบาทหลวงเรียนบ้านนาคังนี่กอันนี้ก็แสนกว่าบาท โรงเรียนที่ไหนทางน้ำโสมรัศวะนักภูมิหาน้ำโสมรัสุน้ำโ ส, ส, สมนั่นะบ้านอะไรในเมืองทองทองเนี่ยอยู่ทางนูน้นอันนั้นก็แสนกว่าบาททางบ้านผืออีกแปลว่าช่วยโรงเรียนแล้วก็เมื่อวันเมื่ออาทิตย์ก่อนนั้นหลวงพ่อก็ได้ไป กล่าวกับพี่น้องชาวบ้านบ้านกล้องอคือหลวงผู้ว่าการอดีตอดีตผู้ว่าการรถไฟนยท่านบอกว่าหลงผมอยากจะสร้างอาคารเหมือนหลวงพ่อสร้างนี่แหละหลวงพ่อจะมีไหมมีที่ลงไหมโอ้ยมีว่อมีเดี๋ยวหลงพ่อจะหาให้จะเอาลังใหญ่ขนาดไหนและวะ้วว่าหลวงพ่อจะให้ผมทําใหญ่ขนาดไหน ลุงพ่อทำาลยสองขนาดขนาดถึงสามชั้น ข, น, ขนาดหนึ่งสองชั้นแคขนาดถึงชั้นครึ่งขนาดถึงสองสามชั้นสิบห้าห้องเรียนแล้วก็เจ็ดห้องเรียนก็มีแล้วก็สี่ห้องเรียนก็มีท่านก็บอกว่าลุงพ่อจะให้ผมทำขนาดไหนก็ได้ทั้งสามหลังูแสดงว่าใจใหญ่อยู่ได้เ น, นี่ว่าอา อ, า อ, าอาได้ได้ได้ที่ลงพ่อก็หาที่ลงเลยทีนี้ จะเอาลงบ้านกล้องนักเรียนก็น้อยเกินไปถ้ า, าลงไปสิบห้าห้องเรียนอย่างเนี้นักเรียนทั้งหลายก็กลุ่มมาเรียนที่นี่หมดอาคารเก่าที่มีอยู่แล้วก็น่าจะใช้ได้อยู่ก็ทิ้งไว้หมดเลเนี่ยเพราะนักเรียนไม่พอก็เลยก็เลยตกลงกับท่นานว่าจะเอาไปนิคมคำสร้อ ย, ยที่อําเภอนิคมโรงเรียนอําเภอเขาอันนั้นก็นักเรียนประมาณห้าร้อยกว่าเหมือนกัน ถ้าเอาหลังนี้เข้าไปอีกจํานวนนักเรียนโรงเรียนที่มันมีอยู่แล้วนะ่ะก็จะว่างอีกเหมือนกันเพราะจะมาโรมเรียนอยู่หลังนี้หลังเดียวไม่ได้เลยขอแบ่งเหมือนกันท่านผู้ว่าอาตมาขอแบ่งหลังนี่นะเป็นสองหลังได้ไหมแต่จะถูกกว่านะแต่มีประโยชน์มีประโยชน์มากกว่าแต่ว่าถูกกว่าโอ้สุดแท้แต่ท่านอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์เห็นว่ามีประโยชน์แล้วผมยินดีเนนเออเอา ก็เลยเ อ, เอาลงนิคมความส้อยเนี่ยสองชั้นแปดห้องเรียนแล้วจะเอาลงที่บ้านกองนี้อีกเท่าๆกันนะว่าแต่ราคาหลังละสามล้านห้ารวมแล้วก็เป็นเงินเจ็ดล้านสองหลังแต่ถ้าว่าทำสิบห้าห้องเรียนนี่ที่ท่านองค์งขมลตีทำที่อำเภอท่าบอเนี่อันนั้นเกือบเก้าล้านเลย รวมทั้งอุปกรณ์การในห้องทั้งหมดอุปกรณ์ทั้งหมดในโรงเรียนเกือบข้าวล้านแต่นี่รวมกันทั้งสองหลังเจ็ดล้านแล้งกันหลังนี่คมคำซรอยก็เกือบเสร็จแล้วแปลว่าตกแต่งอีกไม่นานว่าเดือนม ก, กราไม่น่าจะถึงเดือนกุมภาเสร็จบริบูรณ์หลังนั้นก็เลยมาเริ่มหลังนี้หลังบันกล้องเนี่ยคิดว่าจะลงมือเนี่ยช่วงวันที่ วันที่สิบกว่าของธันวาเนี่ยมั้งที่พูดกันในวันนั้นจะลงเร็วๆนี่แหละมาจ้างอาคารเรียนให้แกโรงเรียนบันกล้องบันกล้องก็คงจะน้อยอกน้อยใจมังที่อื่นมีหมดเลยบ้านตำบลยังไม่มีอันนี้จะให้โรงเรียนบันกล้องแล้วก็ปีนี้ลุงพ่อรับหนักกห็หลายเรื่องอยู่เหมือนกันตั้งแต่เจดีของ ถ้าแก่สมหมายมาอันนั้นก็นี่ยนะจะตุปัจจัยของวัดเราก็จะช่วยไป3ล้านกว่าบาทปองเจดีของหลวงตาแล้วก็เนี่ยเจดีย์เโรงพยาบาลศูนย์อุดร น, นี่อีกโรงพยาบาลศูนย์อุดรตึก10ชั้นของหลวงตา96ปีใ น, นวัดของเรากลุ่มของเราเนี่ยงั้นจะตุปปัจจัยที่ผ่านของเรา คนนั้นบังคนนี้บังคนอะนิตย์คนละหน่อยหลวงพ่อรวบรวมแล้วก็ไปสมทบสร้างอาคารตึกหลังเนี่ยตึก96ปีลงตานี่คือ96ปีลงตานี่ร้อยแปดบสมล้านเฉพาะโครงสร้างนะเฉพาะโครงสร้างนี่ยร้อยแปดบสล้านแล้วก็มี18งวดจะให้แล้วเสร็จทันเดือนสิงหาห้าสามเนี่ยจะให้ได้มอบและฉลองกัน พอวันเกิดลรงตากันที่สิบสองสิงหาทางผู้รับเหมากเขารับทันจะเสร็จก่อนจะให้เสร็จก่อนทีนี้ก็มีอยู่สิบแปดงวดเขาก็จ่ายงวดที่หนึ่งงวดที่สองพองวดที่สามนี่เป็นเท่าไหร่งวดที่สามเป็นเงินสี่ล้านสี่ล้านสี่แสนกว่าบาทแต่หกักภาษีพอเป็นเงินบริจาคเขาก็เลยลดภาษีลง ยังเหลือเงินอยู่000 000สามล้านแปดแสนกว่าบาทหลวงพ่อสามล้านแปดเนี่ยพวกคณะกลุ่มของเราอําเภอนายุงน้ำโสมพวกกลุ่มของเราเนี่ยเอางวดนี่แหละวะอคนทั้งหลายมีแต่เขาจองห้องนั้นห้องนี้ห้องพิเศษเตียงพิเศษห้องพิเศษห้องละแสนห้าแสนห้องละล้านก็มีเออแต่ละเอาทั้งหลังเลยเราอะเอาทั้งหลังเลย ทำอะไรขึ้นเป็นหลังมันจะเป็นห้องได้ยังไงวะเอาเป็นหลังเราก็เลยบอกกับบอกกับคณะกรรมการว่าทางกลุ่มของเราในจะเอาเป็นหลังเอาเจาะเอาเป็นงวดก็เลยตกลงเอางวดที่สามเป็นเงินสามล้านแปดแสนกว่าบาทก็มอบให้แก่คณะกรรมการไปแล้วสรุปแล้วก็คือหลวงตาเป็นผู้สั่ง เป็นผู้สั่งก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันแต่วัดของเราเนี่ยเป็นผู้ใจจ่า ย, ยเงินเหมือนกันแะจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยวอองวดที่สามนี่แหละ <c oughs> แปลว่าจุดตุปใจของหลวงพ่อเนี่ยทะลักไปทะลักมาทะลักมาทะลักไปว่าือนกันแต่ไหลไปไหลามาอยู่อแต่ในวัดของหลวงพอ่อเดี๋ยวนี้หลวงหลงพ่อก็คิดพัฒนาหลายปีนี่ดู้สึกว่าเออวัดของเราก็ เมือกกำลังต่อรังแตนทามันมีคนมากขึ้นมาแล้วก็ขายายออกทำให้มีมาแล้วก็เอาไว้ก่อนทามันมีมาเอาขายายออกคือวัดของเราเนี่ยวัดของหลวงพ่อเหลวงพ่อไม่ได้สร้างมาเพื่อรองรับคนอ่านั น, นไม่ใช่สร้างไว้มากๆแล้วก็เผื่อคนมารองรับคนเอาไว้หลวงพ่อไม่ได้คิดอย่างนั้น แต่คนมันแน่นซะก่อนคนมันเต็มซะก่อนยังค่อยขยับออกนนั้เหมือนกับลังต่อลังแตนต่อแตนทีแรกมันก็อยู่ตัวเดียวนะพอมันมีลูกขึ้นมามันก็ขยายลังออกพอต่อมาลูกมันขยายออกเอ่ะก็เลยใหญ่ขึ้นไปเรื่อยอันนี้ของหลวงพ่อกือลักษณะอย่างนั้นปีนี้เนี่ะขยายลงครัวปีนี้ครัวใหญ่นะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเหมาะสมละพอคนเข้ามาอะไรมันแน่นไปหมดแล้ว ได้จะทำโรงครัวให้มันใหญ่ขึ้นลองรับคู่คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องจากนั้นก็โรงที่หลว ง, งพ่อรับแขกเนี่ยตัว น, นั้นก็ขยายออกอีกเนี่ยแล้วก็ทําถนนในวัดทำถนนในวัดก็คือทางทหารอากาศเข้ามาว่าหลวงพ่อจะสร้างอะไรปีนี้หลวงพ่อเออถ้าเป็นถ้ามีตังก่อน ที่จอยจะทําถนนภายในวัดให้พระเดินสะดวกบ้างเพราะว่าในวัดเนี่ยถนนหนทางรู้สึกว่าครุกคลักไม่สะดวกมันเป็นที่เนินที่ลุ่มกระปุ่มกระปําถ้าว่ามีถนนก็มาถนนคอนกรีตแคบๆก็ไม่กว้างหรอกพอให้พระเดินสะดวกก็จะดีดนั้เขาก็เลยมาทอดกระถินให้ปีนี้นี่แหละสาเหตุที่ทหารอากาศของพระทอดกรถิน หลวงพ่อก็เลยเอาลงเนี่ยแหละเอาลงถนนเนี่แอันนี้ก็คือพัฒนาวัดเหมือนกันหลวงพ่อเนี่ยแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งหลังแต่ทําให้พูดให้พวกคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมฟังคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมคงไม่รู้เหมือนกันว่าเออจะตุปปัจจัยของหลวงพ่อนี่ได้มาแล้วไปไปสุกไว้ที่ไหนบางนาเออเพ้อเพอยังเป็นทุกข์เป็นร้อนกับหลวงพ่ออีกต่างหากว่าหลวงพ่อใช้เงินไม่เป็นว่าไงนต่น พอนั้นเอามาเลยนะหลวงพ่อใช้เป็นเลยเงินเดือนหะลวงพ่อในใช้เนี่ก็ค่องเลยเงินเดือนวันนะั้นถ้ามีเท่าไหร่หลวงพ่อจะจัดการหมดว่างั้นแตนะ่ให้เกิดประโยชน์แต่ไม่ใช่แต่เฉพาะอันนั้นอย่างเดียวนะฝ่ายพระของน่ะช่วยทั้งน้ําบังน่ช่วยสะพานบังช่วยที่ไหนตัวที่ไหนวันะนั้นแต่อย่างที่อําเภอ พี่มายก็บหลวงพ่อขึ้นมาคราวที่แล้วไปแวะที่นั่นอีกพอหลวงพ่อได้ตกลงเอาไว้ว่าที่ดินประมาณแปดไร่ไหปดไร่เขาจะขายล้านล้านสี่เนี่ยเขาจะขายล้านสี่แสนหลวงพ่อเออเอาให้พวกคณะสัทายาติยมรวบรวมกันก่อนนะถ้ามันขาดเหลื อ, อยังไง มันทามันไม่พ อ, อยังไงฮะบอกไปหาหลวงพอ่อหลวงพ่อจะหากำลังช่วยเข้ามาอีกควรจะซื้อเอาไว้ที่ดินตรงนี้ที่เป็นหน้าวัดนะแต่ทราบข่าวว่าเขาก็ใจใหญ่นะรู้สึกว่าหลวงพ่อจะคงจะไม่ได้จะไม่ได้ช่วยเขาเอางั้นถึงดูๆแล้วเออเขาท่าอยู่เลยว่าที่ดินแปดไร่ล้านสี่หลวงพ่อคงจะไม่ได้ช่วยแต่ก็ยังไม่แน่เหมือนกันว่างนยังไม่ได้สืบสอบอีก งวดครั้งสุดท้ายนี่ยไม่รู้จะออกงอออกก้อยยังไงมันไม่แน่เหมือนกันนะของพันเลยที่เผลอว่ามันจะจบไปแต่ที่ไหนได้มันโผล่มาเราจะต้องได้ใช้อีกเหมือนกันนี่แหละคือจะตุปัจจัยที่ได้มาโดยเป็นธรรมแต่หลวงพ่อพว ก, กนักศรัทธาญาติโยมทั้งที่นั่งอยู่นี่นคงไม่ได้เห็นมั่งเงิน สองกระถินผ้าป่าจากวัดหลวงพ่ออินนะหลวงพ่ออินไม่ค่อยไม่ค่อยมีเนี่เรื่องส่องๆเรื่องเรียอะไรเหมือน้นเนี่ยหลวงพ่อในตามมีตามเกิดที่สุดในตามมีตามเกิดแต่นี้ถอยหลังนะแต่นี้ไปข้างหน้าไม่แน่นอนเหมือนกันนะบางที่อาจจะมีก็ได้เดี๋ยวว่าหลวงพ่อจะว่าจะไม่มีไปไวิวายอย่างนั้นนะอันนี้ผมพูดถอยหลังเหมือนกันเนี่ยเนี๋ยไปข้างหน้าไม่แน่นอนเพราะหลวงพ่อเคยได้เคยได้ยินเน่ะเคยได้ยิน มียายแก่คนหนึ่งบ้านอยู่ในอยู่ไม่ใกลจากวัดเหมือนสมผานก็นสมผานวัดก็ไม่รู้จะหาเงินจากที่ไหนเดี๋ยวก็จัดผ้าปา่าเวลาได้ ข, าาข้าโพดมาเอาผ้าป่าข้าโพดถ้าเกี่ยวข้าวเสียแล้วเออผ้าทําบุญกลุมข้าวเหมือนกัน เ, เดี๋ยวก็ทําบุญนั้นทําบุญนี้เหมืนอนกันเพื่อจะสร้าง ศาลาเศษแล้ว ก, ก, ก, ก, ก็สร้างโบสถ์สร้างโบสถ์แล้วก็สร้างกำแพงซ่อมกำแพงกับสร้างหอไตรแล้วก็สร้างห อ, หอะระฆังสร้างไปเรื่อยว่างั้นเถอะแต่ละสร้างแต่ละอันนี่ก็โอ้ผ้าป่าเนี่ยซองผ้าป่าไม่รู้ว่าเท่าไรเท่าเท่าไหรแต่ยายนี่เป็นยายขี้เหนียว่นเนี่ยแคนขี้ตะนีว่างั้นเถอะโอ้เห็นสองผ้าป่าเนี่ยเหมือนกับไม้ทิ่มตาว่างั้นเถะไม่อยากจะเห็นสองผ้าป่าว่างั้นเถะ อ, อพอเห็นพ้องพ่อป่าต้องจะอ้วกทุกครั้งเหมือนกันเถอะพวกคนขี้เหนียวเห็นซองป้าป่าก็าไม่ถูกกันได้เ อ, อท็ดนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงฝ้ยายก็อยู่กับบ้านเขางั้นแต่เป็นคนรวยกว่าเพื่อนเนี่ท็ด้ี่ไปที่ไหนก็ไม่ไม่ต้องพ้นไม่หนี้ยายเหมงอนนเถอะถึงจะให้มากให้น้อยก็ต้องไปบ้านยายนะเพราะเขาเป็นคนรวยในหมู่บ้านเหมือนกันเถอะ อ, อ, อย่างนั้นในยายเนี่ยก็อาเก้ออวนเรื่องผ้าป่ามันจกไม่เปลียนสักทีเหมือนกนเถอะ มีแต่แผลขอแผลขออยู่ตลอดผลที่สุดยายขี้เหนียวขนาดนั้นก็ตายเป็นเหมือนกันนะยายนั้นก็ตายใช่ไหมพอยายตายทช่ไหก็คนขี้เหนียวก็ชิดห่วงบ้านห่วงลูกห่วงหลานใช่ไหมล่ะตายแล้วก็วิญญาณไม่ไปไหนเลยไปไม่ไปไหนเหมือนกัน ห, กห่วงลูกห่วงหลานมันมาสิงมาสิงคนในบ้านมานยมาสิงลูกหลานในบ้านมาสิงลูกสาวหรือมาสิงใครก็ไม่รู้แต่เี้ยอ็ทายกไอ ที่เคยไปส่งซองผ้าป่านั่ยก็ไปส่งตามเรื่องลงไปพราเห็นเขาลุ้มกันไปทายกนี่ยก็หอบซองผ้าป่าไปเหมือนนเลยพอหอบซองผ้าป่าไปไอ้ผีนี่ก็เหลือเพ้นองผ้าป่าอย่างเ้ยผีที่มันเข้าทรงไอ้มันเข้าทรงคนอย่างนั้ยนอะมันเข้าสิงคนอยู่ไงไอ้มันก็เหลือเพ้นซองผ้าป่าอันนั้นอะไรพอดีทายกเนี่ยซองผ้าป่าคนเนอะ ข้าเหนื่อยเกินสองผ้าป่าด้วยข้าเกลียดเลยเกินเลยหนีแล้วเอยก็เลยผีจนไรก็เลยออกจากคนโดยไม่ได้ไล่ยากเลยเหมือนกันเถอะผียายยายขีถีจนว่าเกียดสองผ้าป่างั้นเถอะหนีอะไเหมือนกันเออตั้งแต่บันนั้นมาวันี้พอเห็นผียายเข้ามาเมื่อไหรเขาเห็นสองมาเลยเขายื่นสองผ้าป่าเลยหนีทุกครั้งเลยเหมือนกันเถอะเพราะอะไร ก็กลัวกลัวซองผ้าป่าเางั้นกันเะเออ ม, มันผีมันก็แปลกแตกตา่างเหมือนกันนะแฮีผีปอบบางคนก่อนกลัวขาใช่ไหมล่ะแต่ผีฝรังนี่กลัวกระเทียมเหมั้นกันเออะแต่ผียายนั่นกับกลัวเนี่ย ก, กลัวซองผ้าป่าว่างั้นกัเะเถอะพอั้นหลวงพ่อเห็นเป็นอุตตหอนอย่างงั้นหลวงหลวงพ่อก็เลยไม่อยากจะทําเป็นซองให้แกใครๆเหาือนกันกลัวเขาจะหนักใจ บางทีเห็นซองวัดต่างๆส่งซองมาให้หลวงพ่อนี่ยเก้าซองบ้างสิบซองยี่สิบซองบ้างหลวงพ่อก็จับยัดใส่ซองละร้อยละร้อยละร้อยไอ้ซองหนึ่งก็ใส่ให้มากๆซะสองสามพันบาทเหมือนกันเลยส่งไปให้เจ้าของกระถินผ้าป่าไปเหมือนกันถ้าจะส่งให้แก่ใครก็ไม่รู้จะส่งยังไงอีกเหมือนกันเพราะตัวเองก็ไม่เคยส่งเหมือนกันพอส่งมาให้หลวงพ่อก็จัดการอย่างนั้นะ เ พ, เพื่อเผิดคขู่คืนอีกเ้ยจะไปหาแจกอะไรมากนักหนาสร้างอะไรนักหนานะามันมีแต่ขู่นเงี้ยเพราะนั้นพวกที่จะมาเอาภาพสองภาพป่าให้หลวงพ่อเขาก็ไม่กล้าออกมาอีกเหมือนกันเนี่ยนะเรื่องผีสิงเนี่ยมาอดคิดไม่ได้มาถึงหลวงตาเจ๊กนเัมือน่ะลุงเจ๊กลุงเจ๊กเนี่ยเป็นน้องชายของหลวงปู่จามเหนกัน หลวงปู่จามก็เป็นอาของหลวงพ่อเนี่ยน้องกัน้องชายของหลวงพ่อได้หลวงปู่จามเลยแต่ว่าตาเจ๊กนี่น้องหลวงปู่จามน้องหลว ง, งปู่จามอีกที่หนึ่งเหมืนอนกันใช่ใช่พี่ชายของหลวงปู่จามเลเจ๊กจามจูงเกียงเหมืนอนกันแต่ที้ตาเจ๊กนี่ไม่ได้แต่งงานยไม่ได้แต่งงานแต่อยู่กับ มาอยู่กับผู้ใหญ่จูงเหมือนกันอะอยู่กับผู้อาศัยอยู่กับผู้ใหญ่จูงมาอยู่กับลูกหลานลูกหลานกระลั ก, ก่างั้นกันแต่คนไม่แต่งงานกัใจกว้างขวางอย่างนีนแต่ก็ช่วยการช่วยงานตามอัตภาพะร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่นี้พอต่อมาต่อม า, อมานี่ยหลุงเจ๊กเนี่ยตายก่อนอายุเจ็ดสิบกว่านะตายเกือบแปดสิบต่อมาผู้ใหญ่จูมอีกประมาณเกือบเจ็ดสิบมั้ง ตายอีกแล้วก็ภรรยาของผู้ใหญ่จูมอีกตายอีกพอตายเสร็จแล้วแต่นี่ลูกหลานของผู้ใหญ่จูมเนี่ยมนะันเลยทําบุญอุทิศให้วันนั้นทำบุญอุทิศให้ผู้ใหญ่จูมมั้ครบรอบผู้ใหญ่จูมพอทาเสร็จแล้วก็ทายกเขาก็ถวายอีมาเนี้มายังปันเตยอย่างที่ว่านะพะนัฒนาในสปริวลาเนี่ย จากนั้นเขาบอกทําบุญในครั้งนี้เพื่ออุทิศส่วนกุศลเี่ให้ในายจูมผิวขำนั่งดวงผิวขำที่ล่วงรับไปแล้วให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลอที่พวกลูกหลานได้ทําบุญในวันนี้พอทําบุญเสร็จแล้วก็ได้ก็ซาตุพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรพออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปไปกินข้าวถินหน่พอพราะกินข้าวผีผีลุงเจ๊กนะ ผีลุงเจ๊กเนี่ยเข้าสิงเข้าสิงไอ้หลานเขยเหมือนกนเถอะหลานเขยเข้าสิงนอนช่ยนอนเ น, นี่ยนอนอยู่ในกลางบ้านนอนนอนคว่ำหน้าเหมือนนพอนอนคว่ำหน้าสเสร็จแล้วทําอาการเหมือนกับลุงเจ๊กที่สมัยเป็นสมัยยังมีชีวิตอยู่เหมือนกันเถอะคือลุงเจ๊กเนี่ยท่านได้โกรธให้ใครเล้วือจะนอนคว่ำหน้าแล้วกระถ่มน้าลายผิดดีดขาวหมือนนเถอะ เออดีดขาหลังสองขาเนี่แล้วก็ถมน้ําลายเออแล้วก็ขนาดแปว่าโกรธมากๆแล้วไม่พอใจให้แกใครแล้วงั้นถ้าทีนี้ผีมันเข้ามามันก็นอนเมบอย่างนั้นแล้ว่งั้นแต่มันก็ถมน้ํำลายไปข้างหน้าดีดขาอีกลูกหลานเอาไปไปกินข้าวแม่ของั้นไปไปท่านเฉยอ้าคนคนที่มันมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้มันมันผีเข้าแลกหนี้ว่างั้นไอ้คนหนึ่งบอก อผีเข้าได้หนิผีสิงเนี่ยเหนียวเงินเออเป็นไพนี่ยเป็นผีใครเนี่ยว่าท่นแต่ลักษณะนี้เหมือนผีลงเจ๊กนะเนี่ว่านอนนอนนอนคว่ำหน้าอย่างนี้ว่าท่นฮะมันผีลงเจ๊กเลยเอ่าโกนี่แหละผลมาเออโกนี่แหละผนมาเอาเป็นยังไอ้ลุงทําทไมยังมาสิงอย่างนี้กูในไม่กูในไม่พอใจอย่างมากเลยว่านเลย กูก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาจนพอแรงแต่ให้กูอดกูอยากกูก็ไม่อดไม่อยากกูไม่อยู่มีกินกันแล้วกันว่างั้นกูไม่อดไม่อยากแต่กูเสียใจอย่างมากที่ลูกหลานไม่เอ่ยถึงกูเลยอย่างั้นนะไม่เอ่ยชื่อทั้งกูเลยเอ่ยแต่ชูวถึงแต่บัะจุกับอีดวงเลยเอน้องชายกับน้องสะภ้ยกูก็เลี้ยงสูมานมนานเหมือนกันสูไม่เรียกถึงชื่อกูเลยกูเสียใจอย่างมากกว่าผี ผีเสียใจว่างั้นเถิโอ้จากทาโอ้ขอยอมเลยลุงเอ้ต่อไปจะไม่จะไม่ให้มีอย่างนี้อีกต่อไปยอมละจะไม่ให้มีอีกเต่อไปนี่จะไม่ให้มีอีกยอมรับสรภาพแล้วเป็นความผิดของลูกของหลานและคราวเนี่ยเถิดออกนะท่าอีลุงเนาะก็ออกได้่ะออกปุ๊กปั๊บวะอ้าวผมเป็นอย่างผมวะเออผมเป็นไอ้นายเป็นผู้ชายแท้ๆนะเนี่ยเอาผมเปยัง ว้ยผีลุงเจ๊กโอสิงหรือวะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาในบ้านห้วยทรายเขาจะทำบุญหาใครเนะี่ยเขาจะเรียกมุดตังปูยาตาย า, ายวงสาคานาติเรียกให้ครบเลยว่างั้นเถอะเนี่ยนะมันแปลกเหมือนกันเลยเออมันแปลกเหมือนกันเลยสิ่งที่ว่ามีวิญญาณวิญญาณเนี่ยสิงว่าไม่น่าเชื่อมันเชื่อมเหมือนมันเห็นนั่นเลยนะอันนี้ที่ว่าลุงเจ๊กลุงเจ๊หนะึ่งเออเป็นอา โยมอาของหลวงพ่อเนงั้นแออแต่หลวงพ่อเนี่ยเรียกลุงทั้งที่โยมพ่อโยมพ่อของหลวงพ่อเนี่ยเป็นพี่ชายเอแต่หลวงพ่อพวกหลานลเนี่ะเรียกลุงเจ๊กเพราะว่าพวกหลานหลานน้องๆของหลวงพ่อมีมากเอน้องๆของโยมพ่อมีมากปรนลูกท่านก็มีมากที่นั้นก็เรียกลุงทั้งหมดพวกเราก็เลยเรียกลุงตามเหมือนกันลุงเจ๊กเข้าไปสิงคนเหมือนกันแตนี่แหละ วิญญาณเนี่ยเออตายแล้วไม่ศูญสรุปแล้วออได้เห็นอยู่นะวิญญาณเนี่ยเอบางทีก็โผล่ขึ้นมาอย่างพวกเราได้เห็นมันจริงอย่างที่เขาว่าเนี่ยพวกบ้านห้วยทรายเน่ยโอ้ตุ้งเจ็ดคักแล้วเขาว่างนันนะตุ้งเจ๊กมาสิงว่างนันนะโอ้พูดอะไรวะเนี่ว่าพูดเตลิดเปิดเปิงเสียยืดยาวอ่ะอัละพรในต้นนี้นะ